ขอ oh, ความสุขความเจริญจะมีท่าน mm hmm. สาธุชนทั้งหลาย mm hmm. การบรรยายประสูรในวันนี้จะพูดเรื่องทุติยาปาในกระสุตจะ mm hmm. เป็นหลักที่พระเจ้าทรงสแสดงคุณ mm hmm. สมบัติของพ่อค้าที่ประสบความสาเร็จมาเทียบเคียงกับการ ปฏิบัติธรรมของผู้ของพุทธศาสนิกชนแล้วประสบความสําเร็จเราจะพบว่าประสูตรแนวนี้ส่งใช้ยอยู่เป็นอันมากบางครั้งก็อาจจะเอาทหารบางครั้งก็อาจจะเอาจมปลวกหรือว่าปลวกบางครั้งก็เอาพึ่งบางครั้งก็ อ, อะไรเนี่ยหรือที่ที่เป็นรูปธรรมมันดูง่าย มาเป็นเครื่องมือคือเป็นสื่อที่เราใช้ปชัจจุบันเราเป็นสื่อในการเรียนการสอนแล้วคนเหล่านั้นก็จะมองเห็นผลซึ่งเกิดขึ้นของกลุ่มบุคคลหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นก่อนแล้วก็นํามาย้อนดูตัวเองตามนองที่เราพูดกันว่าดูหนงังดูละครแล้วมาย้อนดูตัวนั่นเอง ก็เป็นพระธรรมเทศนาแนวที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากอัยาศัยของพระองค์ึมีพระประสงค์จะสะท้อนภาพเหล่านั้นออกมาให้คนได้หลักในการดาเนินชีวิ ต, ตในขณะเดียวกันคือคนที่เป็นพ่อค้าคนประกอบอาชีพก็จะได้หลักเช่นเดียวกันได้ทรงสแสดงว่า พอค้าได้ประสบความสำเร็จในการค้าของตนเองไม่ว่าจะในการผลิตในการบริโภคหรือในการตลาดก็ตามเรากอาศัยคุณสมบัติคุณสมบัติหลักก็มีอยู่สามประการประการแรกก็คือมีจักขุมาคือมีดวงตา ใแก่ความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอะไรแล้วเมื่อทำสิ่งนี้ก็จะเกิดเป็นอะไรเมื่อลงลงทุนอย่างนี้ประกอบอย่างนี้แล้วจะได้ผลเท่าไหร่จะขายได้เท่าไหร่เป็นต้นมายความมาดวงตานั้นก็มองเห็นสิ่งเหล่านั้นที่ต่อเนื่องกันขนาดสาคัญว่าเรามองเห็นมองเห็นความต่อเนื่องหรือไม่ ถึงอาจจะใช้ในกรณีของเป็นผู้ผลิตเรียกว่าผู้ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆก็ตามในประการที่สองก็คือมีวิธุระก็ได้แก่ความฉลาดสามารถมองเห็นเรื่องของสินค้าเหล่านั้นพอเมื่อผลิตสินค้าเหล่านี้ขึ้นมาแล้ว จะต้องลงทุนเท่าไร่จะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไร้วผ่านขั้นตอนกระบวนการอย่างไรแล้วก็กำไรจะออกมาอย่างไรตลอดถึงว่าจะไปซื้อสินค้ามาขายก็มองมองเห็นหมายความมามองเห็นจากจุดของตัวเองที่เป็นผลิดผลของตัวเองเราซื้อบุอคคลอื่นมาขาย แล้วการที่สามเขาเรียกว่านิสเซียสัมปันโนถ้าพูดสำนวนปัจจุบันก็คงจะพูดคำว่ามีเครดิตเนี่ยนะคหมายความว่าคนซึ่งมีฐานะดีมีความรู้ในเรื่องการค้ามีเงินที่ให้การสนับสนุนเช่นวัฒนาคารต้นก็เชื่อถือมนการสนับสนุนส่งเสริมแก่บุคคลเหล่านั้น ในปัจจุบันก็ทําโครงการเสนอกู้เงินธนาคารอย่างนั้นอย่างนี้นในทสุดก็ได้เราเจ็นว่าแนวในการค้าขายในปัจจุบันก็คงอยู่ในในสามสามกลุ่มนี้แล้วกกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะเวลาอธิบายก็ค่อนข้างใหญ่พระพุทจ้าจะทรงใช้คําสั้นๆจากกุมาวิตรูนิจะนิจญาสัมปันโน เราส่งแสดงถึงผู้ปฏิบัติธรรมะประการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งมันเป็นพัฒนาการทา ง, งจิตวิญญาณแต่ว่าสกีผูกค้าเนี่ยพัฒนาทางเศรษฐกิจทางสังคมของตัวเองประปรสงแสดงถึงคุณสมบัติสี่สามประการเหมือนกันประการแรกก็คือจากขุู ม, มา แต่ตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องสินค้าแล้วเป็นการพูดเรื่องธรรมปฏิบัติว่ามีดวงตาเห็นเห็นว่าอะไรเป็นผลของอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรหมายความว่า ม, มองเหตุมองผลได้ก็โดยใช้โครงสร้างหลักกันนะฮะโครงสร้างของอริยสัจรู้ว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุเกิดของทุกนี้เป็นความดับทุกนี้เป็นข้อปฏิบัติแห่งความดับทุก เราเย็นว่าเป็นโครงสร้างแม่บทคือทุกเรื่องเนี่ยแล้วก็มองในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลแล้วสอนให้มองผลก่อนแล้วก็สืบสาวไปหาเหตุแล้วเหตุมันก็มีสองเหตุผลก็มีสองผลคือผลที่เราไม่ต้องการกับผลที่เราต้องการความทุกข์นั้นเป็นผลที่เราไม่ต้องการแล้วก็มาจากเหตุที่เราเรียกว่าสมมติไทนที่รดนั้นเป็นผลที่เราต้องการ แต่มันก็เป็นเพียงผล น, นะฮะเกิดจะเกิดขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยมกักซึ่งบางทีเป็นการพูดระดับศีลธรรมจัญญาก็ไม่พูดระดับนี้นะฮะพูดระดับที่เรียกว่าประบุนคุณโทประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วนรกสวรรค์ทางเสริมทางเจริญสุขทุกนะเช่นพูดมงคลอนะมงคลเนี่ยเีนะ่ยอาประมงคลเนี่ยแล้วเรามองให้เห็น อถึงที่ไปที่มาแล้วก็จะพบว่าเป็นเรื่องเดียวกันนมายความวาส่วนดีเนี่ยมันจะมาจากกุศลธรรมทั้งหมดสาวไปถึงที่มาแล้วก็จะเป็นกุศลธรรมทั้งหมดแม่อดีตมันก็เป็นเรื่องของบารมีส่วนไม่ดีนะั่นก็จะมาจากอกุศลธรรมทั้งหมดถ้าอดีตก็ไม่ใช่เรื่องของอัศวะอาจะพูดถึงอกุศลอาจจะพูดถึงวิบาิกรรมจะพูดถึงอะไรมันก็พูดอย่างนั้นเนี่ยจริจริงมันก็ต่อต่อกันมา คือลักษณะการการไหลของกระแสกุศลนะกุศลเนี่ยก็อาจจะมองแม่น้ําซึ่งตั้งต้นมาจากเกิดเพื่อเขาอิมลัยนะฮะอระทีเบสแม่น้ําเหล่านี้เขาไหลเข้าม า, ากลารเป็นแม่น้ําคงคาก็าดีประมุดก็ดีหรือมแม่ะแม่โขงก็ดีนะ คือเราเดินไป ต, ตามบนเส้นทางของแม่คงสมมุติว่าเราจะไปจากแม่คงเลยวๆขึ้นไปจนถึงโน้นนะั่นะฮะโดยเฉพาะแต่แตและตอนเนี่ยเขาเรียกชื่อไม่เหมือนกันแม่น้ำโค ง, งนะั่นนะฮะเราก็าเรียกชื่อไม่เหมือนกันแม่น้ําคงคาเองก็ เ, งเรียกชื่อไม่เหมือนกันแม่น้ําคงคานั่นแหละหน้าพาราณีศีก็เรียกคงคาข้างบนก็เรียกไปเรื ID, ่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพรมบุตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือแม้แต่แม่น้ำเจ้าพระยาเองก็เถิดอ่ะจริงๆขึ้นไปข้างบนเขาก็เรียกไม่เหมือนกัน แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแม่น้ำสายเดียวกันเพราะในชื่อเนี่ยบางทีที่เราเรียกว่าเราศึกษาศาสนาเรายินสองคำนะฮะพยัญชนะกับอัตถะที่เราสูตระสัาถังสัพยัญชนะเกวระปริพุนนงบริสุทธิ์ทางประวัจยานยังประกาศเสสิ์พระเจ้าทรงประกาศภพรหมจาริสุทธิ์บริบรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ในอัตถะและพยัญชนะอัตถะก็คือตัวเนื้อหา พยัญชนะนั้นก็คือภาษาที่ใช้สื่อใช้สื่อพูดชื่อสื่อเรียกภาษาน่นอาจจะเปลี่ยนเยอะเพราะว่าธรรมะนี่คนพบทีหลังภาษานะธรรมะก็มีอยู่ก่อนนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่มีคนค้นพบส่วนภาษานั้นมีอยู่แล้วคนก็พูดกันแพร่หลายแล้ว เราต้องการจะเรียกธรรมะเราก็ต้องเอาภาษาที่ก็มีอยู่แล้วนี่มาเรียกเพราะภาษาจึงเป็นเรื่องสมมติเอาตรงนี้เรียกขีริบาลีเรียกว่าขีดฤโอตปะเรียกว่าศรัทธาเรียกว่าเมตตาเรียกว่าอะไรก็ได้นะจะเห็นว่าถ้าไปถามมาจิตมันเป็นอย่างเงี้ยคุณมีความรู้สึกต่อคนนี้อย่างเงี้ยภาษาคุณเรียกว่าอย่างไงภาษาเยอะเลยอังกฤษก็เรียกอย่างจีนก็เรียกอย่าง เรียกอย่างแต่แม้แต่ไทยเองหรือบาหลีเองก็เรียกเยอะนะคำบัวนี้นั้นก็เรียกว่าอัฏฐะแล้วนี่มันเหมือนกันแต่ภาษามันไม่เหมือนกันพตอะการปฏิบัติธรรมจึงไปนเน้นไปที่ตัวอัฏฐะหรือตัวเนื้อหาจะไม่ค่อยติดใจในตัวปัญชนะหรือตัวภาษาที่เราใช้สื่อจะเรียกยังไงก็ได้นะครับถ้าลองสังเกตว่าสมมุติว่ามีเหตุให้กระทำบาป แล้วเราก็ไม่กระทำบาปในขนาดนั้นจะเรียกว่าเกิดขึ้นจากอะไรเกิดมาจากกิริสหรือความละอายต่อบาปก็ไดนะ้เกิดมาจากปัญญาพิจารณาเห็นโทษบาปก็ได้เกิดมาจากขันติความอมดกลั้นต่ออารมณ์ไม่รู้อำนาจแก่กิกเลสก็ไดนะ้เกิดมาจากสติคือดระลึกวันนี้เป็นบาปแล้วไม่ทำก็ไดนะ้เกิดมาจากสงสารตัวเองว่าถ้าทาไปแล้วตัวอเองจะเดือดร้อนก็ได้นะก็เมตตา เ ม, มันก็เรียกได้เยอะแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยมันมันสกัดบาปได้ทั้งหมดทุกข้อที่เรียกมาทั้งหมดเรียกชื่อยังไงก็ได้ันสกัดบาปได้ทั้งหมดต้องยักยายเปลี่ยนแปลงโดยภาษาที่เรียแต่ทีน่นี้ตัวตัวตั ว, ต ว, ตวอาการก็ธรรมะเหล่านี้นะฮะอาการก็ธรรมะเหล่านี้ที่จริงคนมีอยู่แล้วมันมีอยู่โดยธรรมชาติมีอยู่ระดับหนึ่งนะฮะมันจะมีอย่างสมบูรณ เพียงแต่เราไม่ได้นึกถึงเท่านั้นเองคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์เที่ยวมาศึกษาในปัจจุบันว่าคนวิ่งเนี่ยนะสมมติเราวิง่งเดินจ็อกกิ้งนี่มันเป็นยังไงตรงไหนมันเคลื่อนไหวมันทํายังไงอะไรทําปฏิกิริยาต่อยังไงมันจะช่วยเหลือตรงไหน เ, ออเขาก็ว่าไปเอ้อจ็อกกิ้งนี่ยเขาจ็อกกิ้งกันมานานแต่เขาไม่เคยคิดว่าจริงๆเวลาทาอย่างนั้นอะมันมันอะไรมันเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของร่างกาย มันไปนขจัดอะไรมันไปนเสริม อ, อะไรมันไปนทำให้อะไรแข็งแรงขึ้นแล้วไปขจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อร่างกายอะไรร่างกายจึงได้มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นเนี่ยก็ก็นำมาอธิบายถามว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วไหมก็มีอยู่แล้วแต่คนได้รับผลอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดเหล่านั้นแนวธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะฉะสิ่งนั้งหลายมันเป็นกระบวนการของเหตุผลเราเห็นผลเราเราสืบสาไปหาเหตุก็ได้เราไม่ต้องการผลเหล่านั้นเราก็ขจัดที่เหตุ เ, เห็นผลบางอย่างที่เราต้องการเราต้องการผลเหล่านั้นเราก็ไปสร้างเหตุเราลงว่าจาักขุมามันก็ต้องเห็นทั้งส่วนเหตุและส่วนผลแล้วก็มองเชื่อมโยงนะฮะมองเชื่อมโยงเพราะตัวมันในเชื่อมโยงอยู่แล้ว มันเชื่อมโยงแต่ที่นี่เราเรามองไม่เชื่อมโยงนะฮะเราก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นยังแม้แต่เรื่องของความเข้าใจธรรมะอะไรของคนเราในปัจจุบันเนี่ยคือเราเราไปติดในตัวพยัญชนะนี่เยอะอติดพยัญชนะนี่เยอะเพราะงั้นเวลาเราจะพูดเราจะพูดมากคนนั่นคนนั้นคนนั่นคนนั่นนับตามนับตนับนับไป แต่เราจับประเด็นได้ได้อย่างที่ว่ามาลัลตกีเนี่ยก็เราพูดเรื่องเรื่องบาปตัวเดียนะที่จริงมันขจัดด้วยอะไรก็ได้มันจะขจัดบาปตัวแกนแต่ น, นั้นแต่ภาษาที่พระเจ้าทรงสอนตรงนี้มันมั น, ม, นมันพูดเรื่องกิดไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจมันพูดเรื่องอื่นใช่พูดเรื่องอื่นก็ทํานองคล้ายๆก็ให้กินอาหารเนี่ยนะะกินอาหารก็ไปก็แล้ว ก, ก, ก, กันกินได้ยๆก็ก็ทําใจนะกินกับมือจะกินกับช้อนเนกินกับ ตะเกียบอะไรก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็แล้วกันกินกินก็ไปแล้วกันนะผลของการกินเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่วิธีกินหรือสิ่งที่กินก็ไม่จําเป็นจยต้องเหมือนกันนั้นก็ทําให้เรามองเห็นแล้วก็เกิดการประนีประนอมหรือการประสานประโยชน์ก็เข้าใจะนะฮะเข้าใจว่าธรรมะระดับปริญญาตเนี่ยระดับที่ต้องเรียนเนี่ยมันมีกเรื่องหนึ่งคือเยอะจาํานวนมันเยอะแต่ธรรมแนวปฏิบัติเนี่ยมันก็คืออยที่การจับหลักได้ อย่าลัฟว่าตรงนี้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วต่อไปก็ถยอดขึ้นมาเองเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดก็ได้นะค่อยพูดวันหลังก็ได้แต่สําคัญอย่างยิ่งก็ต้องรู้เหตุรู้ผลมันต้องจับตัวเหตุให้ได้นะะจับตัวเหตุให้ได้แต่ผลมันยังไม่เกิดนะฮะผมยังไม่เกิดหรือพางทีผลเกิดแล้วอเช่นทุกข์ไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราสาวไม่ถูกเหตุมันแล้วก็แก้ แกแก้ทุกเหลรานั้นไม่ได้เยวบรกรณ์เอามาไปอ่านหนังสือนักวิชาการในเขียนหลวงฤาษีเขียนเขียนทํานองโจมตีและคัดค้านชนตรงต่อสุภาพิตของพระวิชิราเทวีภิกษุณีที่ท่านกล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด น, นอกจากทุกไม่มีอะไรดับมันเป็นความจริงขั้นป ร, รมัตนะนะฮะไอคนพูดเนี่ยเป็นดร์นะเขียนเขียน เขียนโจมตีเลยตรงเนี้โจมตีเลยเราอ่านแล้วเราก็รู้คนนี้ไม่เข้าใจคำว่าทุกเฉยๆแกครับแกไม่เข้าใจคำว่าทุกเฉยๆในทุกในในความรู้สึกของเขาก็คือว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเป็นทุกแต่อย่างนี้พระเจ้าท่านเรียกว่าทุกขเวทนาแต่นั้นเองท่านไม่เรียกว่าทุกโดยสภาพก็เป แต่ว่าทุกโดยสภาพจริงๆแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดโดยลาพังนะฮะมันจะมีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วไม่คงอยู่ในสถานะเดิมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนนะขึ้นหรือลงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจะอยู่ไม่นิ่งนะฮะจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันจะถูกแผดเผาด้วยปัจจัยภายในภายนอกอะจะมีปัจจัยทั้งภายในบ้านอ ภายนอกบ้างเจนนโตระตภายนอกมันก็ถูกแผดเผาด้วยหนาวด้วยร้อนด้วยหิวด้วยกระหายอะไรแต่ไรเนี่ยก็แผดเผาด้วยภัยธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็เกิดขึ้นจากการแผดเผาภายในก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนเพราะนั่นแกจะ ม, มองเห็นตัวเดียวตัเองคือตัวความเดือดร้อนที่เป็นทุกข์แล้วก็โจมตีว่าสอนกันผิดผิดทำให้เขามองพระพุทธศาสนาผิดผิดมันไม่ใช่ ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนผิดเนี่ยแต่เราเข้าใจผิดเราเข้าใจเฉพาะพยัญชนะภาษาที่เราเข้าใจแต่ว่ากรอบของภาษาเนื้อหาของภาษาเนี่ยมันไม่ได้กินพื้นที่ขนาดนั้นเนื้นเนอเนื้อที่มันเยอะมันคลุมไปหมดเลยว่าทุกอย่างจึงเป็นทุกขนะ์ทุกอย่างจึงเป็นทุกข์ในความหมายนี้ในความหมายที่สมบูรณ์ในความหมายของประการลักเราเข้าใจเฉพาะพยัญชนะนแต่เราไม่เข้าใจอัตถะ อัธเราเข้าใจได้เข้าใจมันหนึ่งในในมัใช่ยี่บ้าปอร์เ็นในร้อยปรเซ็นน่นะคำว่าตรงนั้นก็ถูกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงๆถ้าไม่ได้หมายแค่นั้นท่านหมายลึกซึ้งกว่านั้นมันเป็นวาทะของพระอรหันต์นั่นนะฮ ะ, ะมันไม่มีทางผิดแล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงตอนนั้นเองเราเข้าไม่ถึงเนื้อหาของท่านดันั้นะตรงนี้ประเด็นของจักขุมาก็คือรู้เหตุรู้ผลนะ เรามองในปัจจุบันก็คือรู้ปัญหารู้เหตุเกิดของปัญหารู้ความดับของปัญหารู้ข้อปฏิบัติถึงความรับปัญหาแต่ดําเนินตามขั้นตอนเหล่านั้นได้หรือไม่แน่นอนการการดําเนินตามขั้นตอนบางทีก็ไม่เอามากนะเมื่อคืนนี่มีพระเข้าไปเข้าไข่พัฒนาสังคมเข้าไข่มาห้าวันนะเขามานั่งคุยฟัง แต่มาก็บอกว่าไอ้ที่พูดอย่างนั้นเนี่ยที่จริงมันพูดได้แต่มันทําไม่ได้มันเรื่องใหญ่เกินไปที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะฮะมันในในสุดมันจะอยู่ในลักษณะคลกล้ๆกับที่เคยเล่าฟังนะฮะเปรตขยันนั่นแหะไอ้เปรตจัดคนนอนในศาลาเนี่ยคือถ้าคิดอย่างนั้นมันทําไม่ได้เห็นเปรตไปอยู่บนคือเห็นคนนอนศาลานอนเท้าไม่เสมอการโวก้เสมอกันเกะกะ ลงมาถึงก็จักดึงหัวมันเสมอมาเล็งที่หัวหัวเรียบร้อยดีเสร็จอืเรียบร้อยดีก็ปราบปลืออ้มนี่ยพักก็ลงไปเท้าปรากฏไม่เสมออีกก็ลงไปดึงเท้าให้เสมอดึงเท้าเสมอก็ชื่นชมกับเท้าเสมอเสร็จแล้วมาดูหัวหัวไม่เสมอมันคนมันไม่มีความเสมอใช่ไห้เราจะจัดให้เสมอมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้เราจะแก้ปัญหาสังคมตอนนี้มาก็เสนอโครงการไปนะฮะโครงการให้ให้รัฐบาลก็ดูกำลังยกร่างอยู่ บอกตรงนี้เราเอาตรงนี้ก่อนสักสามข้ออย่าเอาไว้มากรณรงค์ให้งดเว้นการคันนันกับขยันทําการงานนะฮะแล้วก็กสิ่งเสียติดเอาสามอย่าง น, งนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะ เ, เราจะเห็นว่าเรามีปัญหาทางเศรษฐกษิจไอเศรษฐกษิจในส่วนหนึ่งนี่มาจากเกลียดขั้ส่วนหนึ่งไอขาดดวงตาอย่า ง, นะงเงี้ยนะนึกจะผลิตก็ผลิตมั่วไปหมดเลยปลูกสับประรดก็ปลูกจนไม่รู้จะขายที่ไหน นะข้าวยังไม่มีราคาแล้วปลูกเอาปลูกเอามัน ก, มนก็มันก็พังตอนนั้นเองไงนะจะทํำยังไงลนะ่ะอันนี้ก็คือก็คือเราให้เขาขยันอย่างฉลาดทีนี้เขาไม่สามารถฉลาดได้เราก็ต้องนําขาวตรงเนี้ยให้เขาขยันแล้วก็ให้เขาฉลาดความขยันเขารับผิดชอบเองแต่ความขยันเนี่ยเราเสริมได้นะความฉลาดเนี่ยเราช่วยเสริมได้นักพัาการต่างๆช่วยช่วยเสริมได้แต่ขยันเนี่ยเราเสริมก็ไม่ได้ เขาไม่ขยันก็ไม่จะทํำยังไงในการการขยันมันก็จะไปเพิ่มรายได้มันก็แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทีนี้ถ้าผลิดมาแล้วไปเล่นการผันนันมันก็รั่วเห็นไหมไปดื่มเป็นติดสิ่งเสพติดมันก็รั่วรายได้มันก็รั่วมันก็ตักน้ําใส่ตุ่มตุ่มก็ทะลุ ทนี้เราพอเราแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแลเราจะเห็นว่าอาชญา ก, กรรมเนี่ยมันมาจากการพนานมาจากสิ่งเสพติดมาจากเกียรติค่า น, นานนการงานเนี่ยต้องการใช้จ่ายเป็นจยู่เป็นอยู่รู่รลบางคนเนี่ยมีลิศบัญชีมือปืนนะที่จะฆ่าสี่พันมันยังฆ่าเลยเนี่ยที่ก็จับได้วันก่อนเนี่ยมีลิศอยู่อีกทั้งเยอะเลยคนหนึ่งนี่มีสองหมืนคนหนึ่งสี่พันเนี่ยมันอยารับค่าจ้างได้นั้นเท่าะอะไรเพราะมันมันขี้เกียจแต่มันก็อยากมีเงินจับจ่ายใช้สอย มองไม่เห็นตัวเหตุใช่ไหมมองไม่เห็นตัวเหตุแต่ว่าต้องการผลต้องการผลก็คือความสะดวกสบายในสู่ก็สร้างเหตุผิดพอสร้างเหตุผิดมันก็เถือนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมก็ลกลายเป็นปัญหาสังคมถึงก็คงจะยุ่งนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตอนนี้ก็ไปค้นปัญหาที่เด็กอีกแล้วปัญหว่าขอพักสามร้อยกว่าแห่งไปเนี้ยมีปัญหา มันจัดขึ้นเป็นบาเป็นผับเป็นอะไรแต่รายเด็กก็โม้สูงเป็นดุขาตรงรั้โรงเรียนติดสิงเสพติดปยจุนกันใหญ่ก็คงจะต้องบ่ากันไปนะนะพวกนี้ก็พวกมีหน้าที่ก็มีแต่ทะเลาะ ก, กันแต่ไม่ได้ดูปัญหาเหล่านี้เ อ, อทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการนี้เราเจะเห็นว่าจะกูมาจึงถือว่าเป็นหลักว่าต้องต้องเห็นเหตุเห็นผลรู้เหตุรู้ผลแล้วก็ ต้องขจัดเหตุได้อย่างน้อยบันเทาเหตุเราขจัดเหตุมันก็ระดับพระอรหันต์แล้วนะฮะทํายังไงบรรเทาเหตุถ้าเหตุมันลดเนี่ยผลมันจะลดเองโดยธรรมชาติของมันนะครับเช่นสมมุติว่าเราเคยทะเลาะกันแล้วเราลดตัวโกรธเราเราไม่ต้องลดตัวทะเลาะหรอกตัวทะเลาะมันลดเองที่ทะเลาะกันเพราะโกรธแต่เราลดความโกรธเราก็ลดการทะเลาะเราเพิ่มทีนี้อาการการลดบางทีมันก็ไม่ต้องไปทํา ทำขนาดนั้นมาไปเพิ่มที่มารคเข้ามาร์คบังกระทำหน้าที่ลดกิเลสให้เองการทะเลาะมันก็ลดไปเองความรุนแรงต่างก็ลดไปเองนั้นคือตกคุมาตรงตรงนี้จึงไม่ได้หมายความว่าใช้เฉพาะในกรณีพ่อค้าหรือใช้กรณีในก็ปฏิบัติมรรมใช้ทุกกรณีเลยตรงเนี้ยรู้ทุกรู้ส ม, มุทัยรู้ทุกรู้เหตุเกิดของทุกรู้ความเราทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความทุกข์พรเจ้าใช้คําอย่างนี้ เพราะอะไรใช่ตัวทุกเนี่ยมันมันมันมันที่จริงแล้วมันเป็นผลเป็นผลที่เราเสวยแล้วนะฮะเป็นผลที่เรารับแล้วแต่ที่จริงก็คือมันมันมันเป็นกระบวนการมาว่าก่อจะเกิดทุกข์ขึ้นมาที่จริงมันก็มีเงื่อนไขอะไรอยู่ขนางหลังแต่ว่าตัวหลังจริงๆก็คือกิเลสตัวรากจริงๆริงนะคือกิเลสมันมาจากตรงเนี้ยคล้ายๆกับน้ํามาจากต้นน้ําที่ทางทิเบตทําพอยมาลัยนะฮะ พวกน้ำของเราหลายสายก็มาจากนั้นซึ่งมันมันมันมันจะใหญ่โตยังไงก็ไม่รู้เราสาวขึ้นไปก็จะไปเจอจุดตุกนั้นประการต่อไปเนี่ยคือเรื่องของวิธุระแปลวัชลาดฉลาดในที่นี้ทรงเน้นในเชิงของปริยัตินะนะทรงเน้นในเชิงปริยัติหมายความว่าฉลาดในตัวเหตุตัวผลคือศึกษาก่อน อยเช่นว่าเป็นผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องศึกษาให้เข้าใจธรรมะธรรมะในรูปขององค์ธรรมซึ่งก็เยอะนะฮะองค์ธรรมเนี่ยเราก็ศึกษาเยอะใครรอบรู้ได้เท่าไรก็ดีก็จะเข้าใจมากิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเข้าใจในเนื้อหาของธรรมะอย่างที่บอกเนี่ยต้องเข้าใจเนื้อหาของธรรมะไปด้วย S <S <an> <S เพราะว่าธรรมะภาคปริยัติเนี่ยมันมันมันอีกรูปหนึ่งเลยเราเรียนคําสอนที่ทรงสั่งสอน 45, สี่สิบห้าพันตาก็ไม่จบหรอกฮะพระก็จบพระไตรปิฎกไม่กี่องค์หรอกมันอ่านไม่ไหวเยอะเล ย, เ, ยกเกินฮะยังต้องอาา่านอธิบายอะไรอะไรอีกเยอะแยะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นอย่าันี่กล่าลแล้วว่าเท่าเนี้ยอย่างเนี้ยหรือปัญญาก็าเดียวศรัทธาก็าเดียวที่มาเน้นมาสามครั้งแล้วเรื่องศรัทธากั คือต้องการให้ดูว่าจับหลักตะข้อเพราะทรงรับรองผลไว้เนี่ยปัญญายะบริสุทธิ์จิติปัญญาเป็นรัตนะของนรชนคนบริสุทธิ์โดยปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกชีวิตจะอยู่ด้วยปัญญาปัญญาวิถีีวิตบริสุทธิ์สดงแรงาสะรุปผลไว้ตรงนี้แล้วถ้าเราตั้งปัญญาเป็นหลักปั๊บเนี่ยจะดีหรือชั่วเนี่ยปัญญาจะวินิจฉัยแล้วเว้นแล้วก็ทําใช่ไหมจะเว้นแล้วก็ทำเช่เ น, กนกินอาหารอันนี้กินได้กินไม่ได้ปัญญาวินิจฉัยได้เมื่อก็บางอย่างเราก็ไม่กิน ปัญญาวินิจฉัยว่าอาจจะดีแต่สำับเราไม่ถูกกันเราก็ไม่กินมันก็เป็นการปิดกัน้นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจสิ่งที่เรากินไปได้ปัญญาเป็นหลักเลยหรือว่าศรัทธาเป็นหลักก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราอิงนะชีวิตเราเนี่ยเราอิงเราก็ไม่มีปัญญามากพอที่จะวินิจฉัยได้ทุกเรื่องบางเรื่องเราใช้ศรัทธาบางเรื่องมันก็อิงทั้งสองอย่าง บางอย่างศรัทธานำบางอย่างปัญญานาบางอย่างก็ปัญญานาไปเลยแล้วก็มันก็เสริมศรัทธานะฮะพอสัมผัสปั๊บเนี่ยปัญญาวินิจฉัยปับ๊บแต่ตรงนี้ยาตรงนี้ดีปัญญาวินิจฉัยแล้วแต่ว่าชั้นแรกเราจะเห็นว่ า, ายา เ, เราก็เชื่อเราเชื่อเชื่อหมอก่อนเนี่ยนะฮะเชื่อหมอก่อนเราก็เชื่อยาแต่ยาพอเรารับประทานมันก็เป็นสัมผัสตรงคือเป็นภาวนาพระยปัญญา ทำผาตรงมันก็ศรัทธาก็เพิ่มขึ้นต่อมาเนี่ยแม้จะไม่อหมอฝากมาหรือว่าให้เด็กไปซื้อมาเราก็กล้ากินเนี่ยนะฮะไกินแสดงว่าตรงนี้มันศรัทธากับปัญญาคุ้มครองเราได้แล้วเพราะส่วนหนึ่งปัญญาเรามีประสบการณ์ตรงศรัทธานั้นก็ตัวอย่างนี้ก็ขนาดนี้เลยให้ผลแกเราแล้ว่อเป็น ต, อ, ตอนๆนะครก็แล้วแต่ว่าตอ น, น, นไหนถ้าท่านจะเห็นว่าสองอย่างเนี้ยเรา เราต้องมีพอมีแล้วในใจเอาศรัทธาเป็นเลยก็ก็จัดเร า, เร า, า, าโลภะตัวสาวมหาได้เอเปลี่ยนเป็นศรัทธาเปลี่ยนจากศรัทธาสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นเมตตานะเปลี่ยนเป็นเมตตาเนี่ยท่านจะเห็นว่าเมตตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่เห็นคุณของเมตตาเห็นโทษของความรุนแรงกันขาดเมตตาก็แสดงว่าตรงเนี้ยก่อนจะเกิดเมตตาเนี่ยมันทุกจัดโมหะไปแล้วโมหะมันถูกกจัดไปเสร็จแล้วทีนี้ พอเมตตาได้เราก็ให้อภัยได้เราก็อดทนได้เราก็ให้เขาได้หมายความว่าการให้อภัยได้แสดงเมตตาธรามี่กาจัดโทสัเราสงาเครก็ได้แสดงเมตตาขาจัดโลภะอแล้วก็ขจัดบัตเรยิยะขจัดควาเมเบงเกิตัวขาจัดอะไรต่ออะไรเมื่อวานเนี่ยฮะมีมีคนมีคนวัดโทธิมาคุย ก็การผู้ใหญ่ก็โตมาคุก็ว่ามีมีผู้ใหญ่คนหนึ่งก็พูดว่าเขาเนี่ยอไม่เคยให้แม้แต่น้ําดื่มแก่คนอื่นเขาเขาสมัครผู้แทนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิเป็นความภาคภูมิในการที่ไม่ให้อะไรแก่ใครเลยและตัวเองได้เป็นผู้แทนอันนี้มันผิดนะหลักทสวิราชธรรมจะมีทานกับบริจาคเห็นนะฮะผู้บริหารจะต้องมีน้ําใจต่อคนอื่นเพราะเราบริหารค น, เ, เ, นเราต้องมีทั้งทานทั้งบริจาค บริจาคมัคือการเสียสละประโยชน์สุขเพื่อตัวเองเพื่อเพื่อกูลแก่คนอื่นที่เราบริหารเพราะฉั้นสิ่งเหล่านี้มาเท่ถูลไม่ได้คือคนแสดงว่ามคับแคบน้ําดื่อยังไม่ให้แก่คนอื่นอย่างนีมน้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าความคับแค บ, บในใ น, ใ น, ใน้านจิตใจมันแสดงเึงความเห็นแก่ตัวขาดความเมื่อเฟื้อขาดความมีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์โดยการขนาดน้ําดื่อไม่ให้อย่างอื่นก็ให้ไม่ได้ นี่ก็คือก็คือบางทีเราก็หลงประเด็นนะฮะหลงประเด็นว่าจริงๆไม่ใช่แสดงในความมีธรรมะแต่มันแสดงต่อการขาดแคลนธรรมะแสดงต่อการขาดแคลนธรรมะในใจของคนเราเอเพราะอะไรเพราะว่าอาการอย่างนั้นนะอาการของกินเละแต่อาการของการสละสงเคราะห์เสียสละเนี่อาการก็ธรรมะเพราะว่าการการบริหารคดเนี่ยต้องบริหารโดยธรรมบริหารด้วยธรม ร, ยธรมะ ดังนั้นในในในวิธุระเนี่ยวิธุระคือความฉลาดหมายความว่าเราฉลาดในสิ่งนั้นๆในสิ่งนั้นๆอะไรก็ตามเราจะมีความรอบรู้แตกตางทั้งตัวเนื้อหาของเขาเช่นสมมติว่าเราจะพูดองคธรรมองคธรรมก็คือองคธรรมเลยนะฮะเช่นเสมมติว่าพระพิหารสี่คืออะไรบ้างสี่คืออะไรบ้างหรือว่าธรรมีอุปการะสองคืออะไรบ้าง สีห้าคืออะไรบ้างแล้วเราก็รู้ละเอียดลงไปในเรื่องศีห้าว่าศีห้าเนี่รักษาอย่างไงจะเกิดเป็นสีห้ขึ้นมาแล้วก็ถูกต้องสมบูรณ์ทีนี้อจากศีห้าที่เรารักษาเนี่ยมันมีผลต่อใจเราอย่างไงมีผลต่อการพูดของเราอย่างไรมีผลต่อการกระทำของเราอย่างไงมีผลต่อสังคมอย่างไงในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเรามีผลต่อสังคมอย่างไงมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไง นะมีผลต่อการเมืองอยังไงมีผลทางจิตวิทยายัางไงมีผลตการศึกษายัางไงเราจะเห็นกระจายไปเลยว่าเป็นเป็นพระสัพพัญญุตญาณนะเข้ามาวางสีนห้าไว้เตียงห้าข้อแต่ว่าโดยเนื้อหาก็การมีสีนห้าแล้วเนี่ยมันจะแพร่คลุมไปในพื้นที่ต่างๆในเนื้อหาวิชาการต่าง เีงแต่เราแต่เราแต่เราโยงไม่ถึงดนั้นเองคือเราไม่ไม่ใช่โยงไม่ถึงคือเราไม่คิดจะโยงหรือว่า เ, เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าเนี้ถ้าเราสาวไปจริงๆมันมาจากอาการตรงนี้คุณเห็นตอนปลายคุณลองสาวไว้ที่โคนดะูสิอะแล้วคุณจะเจอว่านี่คืออะไรมันเกิดจากการตั้งใจงดเว้นไม่ไม่ล่วงละเมิด เมื่อไม่ร่วงละเมิดในชีวิตในทรัพย์สินในผู้คลองการไม่โกปกคงการไม่ติดสิ่งเสียดสีมันก็กลายเป็นการไม่ร่วงละเมิดกฎหมายมันกฎหมายจะไม่มีความจำเป็นอะไรเลยถ้าคนมีสีทธหแต่ที่จําเป็นจะต้องมีสีทธห้ามันเป็นมาตรการเสริมนะฮะไม่ใช่จําเป็นที่ต้องมีกฎหมายมันกลายเป็นมาตร ก, การเสริมเพราะว่าอคนเราเนี่ยให้สํานึกรับผิดชอบด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยทําได้ยากมากมากนะ อันด้ยากมากๆไม่ต้องอะไรมารณรงค์มาตั้งแต่อยู่กรุงเทพ์ตั้งๆอยู่ต่างจังหวัดญาติพี่น้องของพระนวากกะที่บวชในเรากาอธิบายเขาฟังเพาะโยอมอย่ามาแย่งเวลาของพระนวากกะหมดที่โยมให้บวชเพียงสิห้าวันเจ็ดวันแต่นั้นเองอะ่ะยอย่าโยมมาเช้าสายบ่ายเย็นอย่างเงี้ยเอามาคุยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปตำหนิวัดว่าบวชแล้วไม่เห็นลูกได้อะไรก็ได้อะไรคุณมาสอนใช่เองอะ่ะ พูดกันแล้วพูดกัน อ, กอีกเขียนหนังสือก็เขียนออกตัรทัศน์ก็ออกออกวิทยุก็ออกแล้วพูดตรงๆก็พูดเอามาพูดกันเลยบอกถ้าคุณคุณบวรดรู่เลยคุณอย่ามาวุ่นไหนมากเวลามันนิดเดียวให้ลูกได้ศึกษาเราเรียนให้ทดลองเราฝึกปฏิบัติแล้วคุณอยากจะคุยก็สื่อไปถึงก็คุยกันสามวันสามคืนก็ว่า ก, กันไปไม่เอาเลยนะฮะมาอย่างเงี้ยแต่เรามาแยกเลยหกเจ็ดชั่วโมงเลยวันระยมนึกดูมันเหลืออะไรล่ะทีนี้ ถ้ามาเอาไปตั้งหกเจ็ดั่วโมงเราก็แก้ไม่ได้ทันทีี่พูดไปพูดมาก็ญาติโยมพระหม่ก็หมั่นไส้เอ้กฎพระองค์นี้ปากจัดพูดเรื่อยเลยคือคือคือมันแก้ยากะนะแก้ยากเพราะเราต้องการจะให้จิตสำนึกเท่านั้นเองเราเราไปไปไปบังคับอะไรไม่ได้บังคับอะไรสั่งการสั่งการไปตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ห้ามห้ามเยี่ยมห้ามประกรันมันไม่ใช่นักโทษเี่นะ เราก็ทําก็ไม่ได้เพราะงั้นปัญหามันคงเป็นเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเพรงั้นจะึงมีมาตรารมาตราการเสริมในเชิงกฎหมายอะไรเกิดมาแล้วก็รุนแรงกว่านั้นก็มีนะอํานาจกดไอการเสริม อ, อำนาจปฏิวัติอะไรต่อไรนั่นก็แสดงว่ามนาการสาหัสมากแล้วใช้กฎหมายธรรมดาไม่ได้ต้องใช้กฎหมายระดับภาวะฉุกเฉินน่ใช้กดไอการศึกแล้ ว, เ, ลวเพื่อจะแก้ปัญหาแล้ว เพราะฉะนนถ้าเราได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วเนี่ยนะมันมันมันก็จะได้แต่สมัครคนกลุ่มหนึ่งแต่ส่วนจะได้หมดเนี่ยคงจะยากแต่สรุปว่าในช่วงนี้ครัมัวิธุโรนเนี่ยคือให้ฉลาดให้ฉลาดในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะศึกษาให้เกิดความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นทั้งโดยเหตุโดยผลก็กลับไปที่เดิมอีกเที่ยวหนึ่งนะฮะหมายความจริงๆก็คือศึกษาของเหตุของผลที่ว่าว่าว่าวไวในชุดแรกนั่นเองอธรรมะทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องเหตุผลของ ทุกสมุทัยนิโรธมากนะฮะมันหมายหมายความว่าอยู่ในกลุ่มของทุกบ้างสมุทัยบ้างนิโรธบ้างมากบ้างแต่เราก็ต้องเข้าใจเข้าใจเรื่องที่ได้ทรงแสดงไว้ในหนึ่งในส่วนหนึ่งก็แนวประยัตินะฮะในส่วนหนึ่งก็คือแนวประยัตในส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการนำไปปฏิบัติแต่ว่าเราก็ต้องมีปริยัติก่อนก็ต้องเรียนรู้ก่อนข้อที่สในนิสยสัมปันโน หมายความมีที่อิงอาศัยตะกี้นะฮะคล้ายๆกับพ่อค้าก็มีแหล่งมีคนให้สนับสนุนญาติวงกองสาสนับสนุนธนาคารสนับสนุนนักธุรกิจใหญ่สนับสนุนอะไรอะไรกก็เดินได้นะฮะสนับสนุนเรื่องทางวิชาการบ้างทางเรื่องเงินทุนบ้างนะฮะทางเข้าหุ้นอะไรอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็หมายความว่ามีที่อิงอาศัยสนับสนุน การศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องมีที่อิงอิงอาศัย อ, อิงอาศัยท่านท่านลองสังเกตว่าแนวกรรมฐ า, านที่เขาจริงๆนะเอาอะไรล่ะคำปฏิ ญ, ญาณที่คุณพระจน์เคยเอามาตรงนี้นะที่จริงเอามาจากวิสุทธิมรรคนะแต่มาตัดออ ก, กมันคือมันรู้สึกหนักมื อ, อเป็นการมอบกายตวายชีวิตต่ออาจารย์นะครับ ปฏิญาณให้สัตว์ปฏิญาณต่ออาจารย์ขอมอบกายถวายชีติ อ, อาจารย์จะศึกษาปฏิบัติธารมาจริงๆมันอยู่ในวิสุทธิมารนะหะก็มาชากกันอยู่มาความยังไงหมายความว่าเออบางบางอย่างเนี่ยใช่ใช่ศรัทธาไปก่อนแล้วกันใช่ศรัทธาไปก่อนอาจารย์บอกภาวนาพุทโธพุทโธไปไม่ต้องถามเหตุผลภาวนาไปอันนี้ก็หมายความว่าเราต้องอิงอาศัยแในการอิงอาศัยนั้นบางทีก็จะอิงแบบศรัทธาเลย ยิงแบบสทตาไปเลยแค่ทำทางนี้ซ้ายหันขวาหันกับหลังหันว่าไปเลยไม่ต้องถามเหตดผลอะไรในกรรมฐานส่วนมากอาจารย์ใช้แนวนี้นะบางทีในลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องเลยว่าจุดจริงๆนี่อาจารย์ต้องการให้ทําอะไรแต่ลูกศิษย์ท้งเชื่อเพราะถ้าไม่เชื่อแล้วเนี่ยมันมันใจจะน้อมลงยากนะจะทํายาก อาจารย์บอกบก็นั่งหลับตาก็นั่งหลับตาเฉยๆภาวนาไม่ภาวนาคือภาวนาไม่ภาวนาไม่รู้อาจารย์เห็นเฉพาะหลับตาหรือไม่หลับตาต่นนั้นเองแต่บอกภาวนาภาวนาพุทโธก็ไม่รู้ว่าภาวนาหรือไม่ภาวนาเพราะงั้นก็ต้องอาศัยความเชื่อแล้วก็ทําตามนั้นนั่นก็คือแนวอิงอาศัยแบบชาติฐานนะอิงอาศัยประชาติฐานซึ่งอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าพระโพธิละ เป็นพระเถระที่ม okay. <uit> okay. ีความแตกฉานในวัฏิักมากสามารถเทศอธิบายชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็เทศคนอื่นบรรลุมอกคนเยอะแต่ท่านเองไปไม่รอดนะเพื่อนก็เห็นว่าท่านก็ช่วยคนอื่นมาเยอะแล้วนะฮะท่านควรจะช่วยตัวเองจะบ้างเพื่อนก็ล้อเลียนนะฮะคือไม่ให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นสู้คนเหล่านี้จะต้องมีตัวกระตุ้นในลักษณะท่าทายนะฮะแล้วก็ดูหมิ่นนิดๆนะฮะ ดูมีนิดๆท้าทยหน่อยๆเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการในการฝึกคนเขาเรียกว่าโพธิละแปลว่าคมพีเปล่าหมายความว่าความรู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะมันเหมือนก็มีเงินแต่ว่ามันจ่ายไม่ได้มีความรู้ใช้ไม่ได้มันก็มีก็เหมือนไม่มีนะอย่างที่โบราณท่านท่านว่าไว้สามเรื่องนะค เรียงว่ามีทรัพย์ที่อยู่ในมือคนอื่นมีหนังมีความรู้แต่ว่าอยู่ในตู้ก็ืออยู่ในหนังสือมีสามีที่ปัญญาที่ไม่ได้อยู่บ้านมีก็เหมือนไม่มีนะเพราะจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการมีหลนั้นประการมีธรรมะมันก็แนวนั้นแาลความว่ามีในเชิงปริยัตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์หรอก เหมือนกับอะไรพระพุทธเจ้าอุปมาดีนะอุปมาเมื่อก่นเลี้ยงโคตอนอุปมาเมื่อก่นเลี้ยงโคเลี้ยงโคดูแลใจใสโคสารพัดนะฮะตอนไห้กินหญ้าอาบน้ําอะไรแต่ไหนตอนข้าวองแต่ว่าถึงคราวจะได้ผลประโยชน์จากโคในตัวเองไม่ได้นะเจ้าของโคเป็นคนได้เรียวว่าเป็นการศึกษาแบบเด็กแบบแบบแบบแบบเด็กเลี้ยงโคนะฮะตัวเองก็อะไคัดจ้างอะไรไปนี่มีนะะัยยะ ทีนี้ในการปฏิบัติธรรม ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าออถ้าเราจะอยู่เฉพาะตรงนี้นะฮะอยู่เฉพาะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ต้องเริ่มเลยนะ ม, มาความว่าเราจะใช้ศรัทธานำไปก่อนในนี้ก็คือแนวศรัทธาาแนวหนึ่งก็คือแนวปัญญาแนวปัญญาก็ไปสร้างเสริมด้วยการศึกษาด้วยการเข้าไปหาท่านผู้รู้ที่สามารถตอบปัญหาเหล่านี้ได้ ตรงนี้ค่อนข้างมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรล่ะคือชาวบ้านเนี่ยบางทีประเมินพระนสูงเกินไปนะฮะบางทีประเมินต่ำเกินไปก็ ก, ก็เอานิยายไม่ค่อยได้นะให้ท่านลอาสังเกตว่าจะประเมินพระสูงในสองเรื่องประเมินไว้สูงในการปฏิบัติกับประเมินสูงในรูปของปริยัติคล้ายๆกับพระนี่บวชแล้วก็รอบรู้หมดเลย ไปถามปัญหาเจอหลวงตาก็ถามเจอเนร น, น้อยก็ถามอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะนะไม่ได้เก่งอย่างนั้นทุกองมาตอบไม่ได้ทุกองค์หรอกเพราะอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าพระเนนเราเนี่ร้อยรูปเนี่ยเป็นเด็กอยู่หกสิบห้ารูปคือเป็นนักเรียนเนี่ยภายในวัดอรรเองมันก็มีนักเรียนเรียนเยอะพระที่ทํางานได้มีมีกี่องค์หรอกเพราะฉันถ้าเราจะถามเปื้อไปหมดเนี่ย ถ้าแกตอบแล้วเนี่ยโอกาสผิดนี้มากพระพุเจ้าจึงบีบเลยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาต้องเข้าไปไหาภิกษุที่เป็นหูสูตรทรงธรรมทรงวีในแตกฉานในอุปโตวิพังมีความเข้าใจในธรรมะต้องเข้าไปหาคนเหล่านั้นไม่ใช่ไปเจอเนน้อยก็าถามเจอหลวงตาก็าถามอย่างนี้ก็มั่วหมดหลวงตาก็ตอบยุ่งไปหมดเลย เสร็จแล้วก็ไปอ้างเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะหลวงพ่อเพิ่งบวชเมื่อวานซืนนี่เองอะหลวงพ่ อ, อยังไม่รู้อะไรนะเราก็ต้องต้องต้องไม่ประเมินท่านสูงเกินไปว่าท่านจะตอบได้ทุกเรื่องนะแม้แต่พระที่แตกกานเองก็อย่าไปคิดว่าท่านจะตอบได้ทุกเรื่องประการสองคือเราประเมินในแง่ของการปฏิบัติคล้ายๆเปิดเปิดเปิ ด, ป, ดปุ๊บติดปั๊บเลยนะหายความว่า ละบวชปับ๊บเราก็เก่งหมดปฏิบัติดีหมดนะสละแล้วโดวยประการทั้งปวงอันนี้สังคมไทยมีเยอะเลยเห็ น, หนอยู่ลูกหลานตัวเองก็ศึกมานะแม้แต่คนที่พูดเองนะเคยบวชแล้วแล้วก็ศึกมานะบางทีสามีปัญญาศึกมาบางทีพ่อแม่เพื่อนฝูงศึกมามันก็เห็นกันอยู่ว่าจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดสละแล้วโดวยประการทั้งปวงแล้วไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บท่านเองก็ต้องศึกษาท่านเองก็ต้องพยายามปฏิบัติ ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะฮะตรงบ้างโคตรบ้างก็ว่าไปเร่เร่มันไม่มันไม่ใช่ร้อยเอร์ซนอย่างนั้นเราไปประเมินท่านสูงเกินไปนะไปขีดเส้นไว้ให้เดินเนี่ยเกินไปเลยลืมไปว่าจริงๆท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเราต้องใช้เวลาตั้งนานนะฮะใช้เวลาตั้งนานเราพระมากกคนเลยนะมากกวคนจะต้องใช้ศึกษาค้นคว้ากัน หลายเียนะ จ, จึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจได้แม้แต่าการปฏิบัติเองก็ห ก, กล้ม6กลกไปเพียงแต่ว่าโอกาสนะโอกาสเนี่ยถ้าเราพุ่งทรงมาสายกรรมฐานน่นนะมันมากนะโอกาสถ้าพุ่งไปตางกรรมฐานมากแต่ถ้าพระที่ที่ต้องทำงานอยู่ในรูปปริยัติแล้วจะหาโอกาสยากเลยทั้งไป มีพระผู้ใหญ่เป็นอันมากที่ดังๆแต่กี่เขเลา่าโยงฟังอย่างหลวงพ่อพูดวัดป่าสารวัตรเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดนะฮะพน้นวั้ายพเป็นยจ้าระจังหวัดมันทํางานไม่ได้มันมันนั่งสมาธิไม่ได้งานมันเยอะมันรุงรงังไปหมดเลยต้องลาออกต้องลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดจึงมาเล่นในเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยพวกประสังการติการทั้งหลายเนี่ยที่ท่านลาออกมาท่านจึงไปไปไ ป, ไปต่างสายกรรมฐานได้ถ้าให้ลาออกเนี่ยจะทํางาน จะปฏิบัติงานกิจไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติท่านเองก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกคืนหนึ่งกันนะต้องนั่งสมาธิต้องฝึกต้องคิดค้นธรรมะตลอดอาบน้ำอาบผ้าจะเดินจะเหินจะบินสะบาตทเนี่ยต้อ ง, ต, องต้องมณฑิการกรรมฐานอยู่ตลอดไม่งั้นมันก็เอามาอยู่เหมือนกันนี่ยนะเอาม่อยู่เหมือนกันบางองค์เอเป็นอาจารย์กรรมฐานมาก่อนเสร็จแล้วก็มันเป็นเจ้าคณะพอเป็นเจ้าคณะเสร็จเลยสุด แต่ตรงนั้นไม่ได้เสิร์ฟมันก็ต้องเลือกแล้วว่าท่านจะกลับถ้ากลับก็ต้องลาออกลาออกจากเจ้าคณะเพื่อจะไปทางานด้านนี้ตอนนั้นเวลาเข้าหาเนี่ยท่านเรียกว่าเข้าหาคนฉลาดนะพระที่ฉลาดสามารถมีความรอบรู้ที่จะตอบปัญหาเรานั้นได้มันจะไปถามพระบวชเจ็ดวันสิบห้าวันท่านตอบไม่ได้เราเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านเองก็ยังไม่รู้ แล้วก็เมื่อแม้แต่ท่านตอบแล้วนะก็ไม่ไปไปยึดถือว่าโอ้เ oh, นี่ยหลวงพ่อลนะว่าอย่างนี้คือคือพวกฟังไว้นะแม้แต่มาตอบเองก็เหมือนกันคือฟังไว้แล้วก็สืบสวนเทียบเคียงไปว่าจริงจริงเนี่ยมันเป็นยังไงอาจะทดสอบก็ได้นะฮะจะทดสอบก็ได้ แต่มาเองเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างนั่นนะฮะคือคือมีญาติโยมบางคลบ่นว่าเอามาพูดแล้วก็อ้างแต่เราพุทธเจ้าคือคือคือไม่เคยคิดว่าจะเป็นอาจารย์ไกลนะเลยคิดจะเป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าเฉยๆตัว น, นั้นเองอเราไม่ไม่ไม่เคยคิดอย่างเงือกเลยคิดแต่เป็นเด็กรับใช้ของพระพุทธเจ้าใฉยๆเพราะงั้นเรามีหน้าที่สื่อสารแค่นั้นเอง เรามีหน้าที่สื่อสารและเราก็ไม่ได้คิดว่าโราเทศเราสอนว่าคนจะต้องมานับถือเราคอยให้มั่นคงในพรัตนาการมันเป็นบุญเป็นปกุศลก็ขาไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเราหรอกะเราก็ไม่กี่วันเราก็ตายแล้วนะฮะก็ให้คนเนี่ยให้าศาสนาดำรงอยู่เพราะงั้นจึงต้องอ้างพระพุทธเจ้าเรื่อยนะให้ลองสังเกตว่าพระพระพร ะ, พระที่ทา ง, งานด้านนี้ถ้าอ้างพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเพราะเรา ทำตัวเป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าเราไม่ทําตัวเป็นเป็นศาสดาตัวเองนะฮะทำตัวเป็นเจ้าของธรรมะตัวเองเราก็พูดตามตามที่พระพุทธเจ้าพูดเราตอบตามที่พระพุทธเจ้าตอบคือเราไม่ได้ตอบเองนะฮะเราไม่ได้ตอบเองเราบอกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างเงี้ยก็ถ้าจะเชื่อก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อหรอกถ้าปฏิบัติปปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องปฏิบัติตามเรา เราก็ไม่ใศาสดาเนี่ยเราก็เป็นก็เรียกว่าที่จริงพระกับชาวบ้านก็เป็นเพื่อนศาสนาศริ ก, กันนะเพื่อนาศาสนริกกันทีนี้การอิงอาศัยเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากการอิงอาศัยนะไม่ใช่ว่ามีที่อิงอาศัยแต่ไม่ได้ประโยชน์จากที่อิงอาศัยเอ่อดังนั้นในในตอนนี้ต้องก็เน้นที่การศึกษาที่เราเรียกว่าเป็นผูสูตรอีกแล้วฮะหมายความว่าเราคบหาผูสูตรเพื่อเป็นผูสูตร เขาหาท่านที่เป็นนักปราชญ์เนี่ยเพื่อได้เป็นนักปราชญ์อย่างท่านเมื่อกเรานับถือพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นปฏิบัติตามที่พระเจ้าปฏิบัติได้จะทํายังไงจึงจะพัฒนาได้นั่นก็คือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็พยายามอ่านพยายามฟังพยายามดูที่จริงถ้าเราเข้าเข้าใจธรรมะโดยเนื้อหานะฮะ ถ้าใจต่อมาโดยเนื้อหาเนี่ยดูละครที่เขาว่าน้ําเน่าเนี่ยที่จริงมันก็จะทอนกิเลส น, นะฮะละครน้ําเน่าทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอธิบายเรามองให้เห็นว่าคนนี้ทาไมจึงมีอาการนั้นคนนี้ทำไมจึงด่าคนนี้ทำจึงานนไมจึงดิษยาคนนี้ทำไมจึงแข่งดีคนนี้ทาไมจึงวางจึงวางแผนข้าเราจะเห็นกิเลสที่อยู่เบื้องหลังความคิดตนะ่งนั้นมันลอยขึ้นมาเป็นกระแสนะฮะ คนไทยก็ชอบละครผู้หัวไม่ม uh, ีเมียนะฮะเมียน้อยเมียหลวงเยอะแยะกันหมุ่วไปหมดแล้วยังผู้หญิงก็แย่งผู้ชายอยู่เนี่ยแย่งสมบัติสามแย่งแย่งกันนู่นนะมีกี่เรื่องกี่เรื่องก็อยู่อย่างเงี้ยนะวันณคดีมันก็เป็นอย่างนั้นนลยนะให้เราสังเกตวันนคดีมันกูแย่งผู้หญิงก็แย่งผู้ชายแล้วก็แย่งอํานาจแย่งแย่งทรัพสมบัติแย่งอํานาจสามสี่เรื่องเนี่ยสี่เรื่องอนะนะที่จริงก็สามเรื่องนะหมายความมาแย่งคนแย่งอํานาจแย่งทรัพ แย่งกันอยู่3ามเรื่องเป็นอาการอะไรเป็นอาการก็โลภะโมฆะทีนี้เมื่อไม่ได้มันก็เกิดโทสะตกลงว่าโลภะโทสะหมวมก็หมุนหมุนเมื่อก็เป็นเป็นวิถีชีวิตก็กลายเป็นคนเลวคนหนึ่งก็ต้องการจะต่านทานต้องการจะป้องกันแต่ตัวป้องกันโดวยวิธีเดียวกันก็เลยก็เป็นคนทั่วเลยกันปัญหาสําคัญว่าต่อไปจะมาใครช่วยมากกว่าก็ใช้วิธีเดียวกันนะนะ เดี๋ยวนี้เราก็เราก็พบบังบางเรื่องว่าถ้าไม่ได้ใช้วิธีนั้นแต่ใช้วิธีตรงเงาข้ามคืใช้วิธีธรรมะมันก็การเป็นการสะท้อนธรรมนั้นก็คือแนวของการเรียนรู้จากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยแต่เราก็นึกว่าเออตรงนี้รธรรมะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรง น, รงนี้ต่อมาวันหลังเนี่เราไปพูดกับเด็กเราเอาเรื่องนี้พูดทั้งแผงเลยเห่นไหมฮะพูดทั้งแผงได้เลย ต่อมาเราพูดกับผู้ใหญ่เราไม่เอาเรื่องน้ำเราพูดเราเอาตัวธรรมะที่เป็นเหตุได้เกิดอาการนั้นมาพูดใช่เราก็พูดได้เป็นเรื่องเป็นปัจจัยนะแต่ถ้านำมาเรียงเป็นอาการมันก็กลายเป็นนวณิยายที่ก็ามาเล่นละครได้แล้วก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์ในการในการเรียนรู้รรทางปศะสาทสัมผัสเนี่ยเราจะต้องมีการจำนะเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ แล้วก็บางเรื่องที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักสำคัญเนี่ยนะเราท่องได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตเอามาว่าเอามาไม่เคยแน่ใจคริสนะฮะว่าก็าท่องหรือเปล่าเพราะเราเห็นแล้วก็ก็มีอะไรอ่านอยู่ตลอดแต่แนวพูดเนี่ยเราใช้แนวจําไม่มากจําไว้เพื่อนึกจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้แต่ขณะนี้เรามีมีปัญหาอย่างหนึ่งวนันก่อนก็ไป พระลบกับพระธรรมทูตได้ฟังเมื่อก่อนเนะี่ยอย่างบทสวดมนต์เนี่ยนะ เ, เราสวดมนต์กรุงเนี่ยที่กรุงเทพเราว่าได้อย่างนี้เราไปที่ไหนเราสวดเราเขาได้หมดหลยเด๋ยวนี้ไม่ได้นะมีอะไรมาลูก ม, มาสวดกันมัว่วไปหมดเลยบางทีก็ไม่มีในตำนาเราก็ไม่เคยเจอไปบทสวดอย่างนี้มันมาจากไหนยังไง ไอ้ ม, ม, มีเกจิอาจารย์เกิดขึ้นนี่เยอะเลยนะโยมลองสังเกตบางทีช่องก้าวี่ก็เอาอะไรมาสวดเหมือนกับไอ้มาลงาลอะไรอะไรสวดกันมาจากวัดทางอะไรอ่างทองอะไรเนรี่ยอันนี้จะถามมาสวดได้มาสวดไม่ได้เลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยเราเรียนมานานกว่าพวกนี้เราบวชมานานนะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนหนังสือมาแยะนะแล้วก็พวกนี้จริจริงก็รุ่นลูกศิษย์ได้ถามมาสวดได้ไหมโยสวดไม่ได้เราไม่เคยเห็นเลย อันนี้เวลานี้ชาวบ้านเนี่ยก็กลุ่มสวดบนกันไม่ได้พระก็จับกลุ่มสวดบนกันไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยจับกันได้เลยเพราะหมายความมาถือหนังสือจากมหากุทเาลัยเป็นหลักทั่วประเทศอ่านหนังสือจากตรงนี้ท่องจากตรงนี้แล้วก็สวดกันได้อันนี้ทําไม่ได้เพราะมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในการจำครัวจําจตรงนี้ได้จริงจะทําตรงนี้ได้ปรากฏว่าทาอีกแห่งหนึงไม่ได้ อันนี้ก็เป็นแนวพวกศาสนาพิธีไม่ใช่แนวศาสนาธรรมจริงๆก็ไม่ค่อยแปลกอะไรนะฮะไม่ค่อยแปลกอะไรเพียงแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงความขาดเอกภาพในการปฏิบัติระดับของศาสนาพิจีทีนี้าาศาสนาพิธิตรมันเริ่มแปลกแยกออกไปนะฮะคนก็เข้ากันไม่ได้เข้าร่วมพิธิไม่ได้โอ้อ น, นี่เขาสวดอย่างนี้ฉันฉันไม่เอาก็ถอยออก ใช่ฮะสร้างเอกภาพไม่ได้เพราะเราจะไปรวมกลุ่มกันไม่ได้ตัวนี้เราเราเราสวดกับเขาไม่ได้เพราเขาเองพอเราสวดเขาก็สวดกับเราไม่ได้เพราะในการร่วมมือกันการร่วมปฏิบัติสานพิธีเลยก็กลายปเป็นเรื่องการแบ่งแยกหรือก็ แ, แปรแยกออกไปแต่องไรก็ตามคือองค์ธรรมเนี่ยก็ต้องพยายามแม่นไว้นะฮะเดี๋มายัางคิดว่าอย่างญาติโยมเนี่ย นมโมอะระหังสัมมาสัมพุโตสวัสดิคโตสุฏิทพโนอิติปิโสสวักดิคโตสุพิทโนโ น, โ น, นะแล้วก็พวกอารัฐนาศีนแล้วก็ศีลพร้อมทั้งคำแปลและองศีนนะศีลคาแปลแล้วก็องศีแล้วก็บทอะไรที่เราใช้นะฮะเป็นถวายสังฆทาน สังกทานเนี่ยตัวนี้ชาวบ้านเป็นธุรกิจนะยัดไส้บ้างหรือเปล่าแหวกป่องที่ใส่ยอะ <c oughs> จริงๆสังกฐานเนี่ยนะแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะบางบางทีพระเด็กเด็วิ่งหลบสังกฐานเนนะี่ยไม่มีที่เก็บอนะไรอะไรก็ไม่รู้คนเดียวสังกฐานสังกทานสังกฐานเยอะจังเลตั้งแต่พันเอกอะไรพูดพูดเรื่องอะไรอยางนั้นนะั่นน่ะทางนามทางเนิ่มเนี่ยมากันอุตรุลเนี่ยนะก็รู้สึกว่าก็ได้ผลนะฮะได้ ทำาห้คนตอนจังกทานกันเยอะเนี่ยก็เราก็ถวายสังฆทานได้นะถวายสังฆทานได้กวดน้ําได้กวดน้ําได้เอโดยโดยไม่ต้องบอกกันแล้วก็แผ่เมตตาได้อย่างน้อยตกหัวค่ําก็มาก็ไปพระสูตรมนต์ น, นิดหน่อยนะฮะถ้าที่เราวาดได้แล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาทิดกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้หททงหลายก็ทําอย่างเงี้ยรักษาสุขภาพใจตัวเรา จำได้ขนาดนี้ก็ก็เรียกว่าใช้้ ง, งานได้ไปสมควรนะครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจําได้ขนาดนี้ไม่พอหรอกเพียงแต่ว่าระดับชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเอาขนาดนี้ก็ได้เย็ะแล้วทีนี้ทํำยังไงคือต้องเอามาคิดเอามาคิดธรรมะเหล่านั้นต้องคิดให้เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยธรรมะที่บอกเคยบอกว่ามันเป็นมักมักก็เหมือนถนนนั่นนะคร โยมมาวัดประวอร์มาถนนสายไหนรถสายไหนนะติดนิดหน่อยนะติดไม่ใช่นิดหน่อยติดมากนะมาที่มันถูกเนี่ยคือถึงวัดประวอร น, นี่คือถูกส่วนสายไหนไม่รู้มาสายไหนก็ได้เหมือนธรรมะปฏิบัติมันอยู่ที่ดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้นะั่นคือถูกถ้ากิเลส ด, ดับไม่ได้ทุกข์ดับไม่ได้ก็แสดงว่าผิด ไม่ร่้สอนยังไงก็ตามปฏิบัติยังไงก็ตามเพราะศาสนาพูดจริงๆแล้วก็สอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สรุปแล้วเรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องข้อปฏิบัติถึงเรงความเราทุกข์เป็นอริยสัจนะฮะเป็นอริยสัจก็แต่ว่าการดับทุกข์ได้ในหมายความมาดับกิเลสไปได้นะแล้วก็หมายความมาสร้างความสุขขึ้นได้เพราะเราพูดง่ายๆว่าทุกข์กับความดับทุกข์ทีนี้ถ้าผลไม่ออกมาอย่างนั้นก็ ก็มาความว่าผิดนั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยก็ดูกันได้แต่ว่าในภาคปริยัติก็เหมือนในภาคปฏิบัติบางระดับที่เริ่มต้นจากตรงไหนล่ะเริ่มต้นจากศรัทธาเริ่มต้นจากเมตาตาเริ่มต้นจากกันฑ์ ต, ติเริ่มต้นจากความเพียรเริ่มไม่ได้ว่าอะไรอะไม่ไปติดใจในตรงนั้นก็คล้ายๆกับโยมมาคนละถนนกันมารถคนละคันกันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนั้นอะแต่มาถึงวัดอวอเนี่ยมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะเราจะเห็นว่าระดับอานิสงส์นี่จะเหมือนกัน นะเช่นว่าสมาธิคณิกะสมาธินิจิตมันเป็นยังไงจะเหมือนกันทุกคนเลยนะตรงนี้จะเหมือนกันมันเหมือนกันกินเกลือเนี่ยจะเค่เหมือนกันแล้วมันระดับสัมผัสแล้วระดับผลเนี่ยก็เรียกว่าสัมผัสแล้วเพราะว่าปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยโมหะต้องลดทุกคนต้องเหมือนกันเหมือนกันทุกคนเพราะงั้นพระอาหารหันต์เรียกว่าอรหันต์ก็คือรู้เหมือนกันนะี่ยนะกิเลสก็เหมือนกันมันจะไปเหมือนกันตรงผล เหมือนกับท่านทั้งหลายมาเหมือนกันต้นข้าวมาในห้องตึกสวเนี่ยมันก็มือก็ก็มาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยอันนั้นเป็นเพียงตัวอย่างนะฮะที่จริงข้ามาแล้วก็ไม่เหมือนกันหรอกอ่า <c oughs> บางคนก็ฟังได้ชั่วโมงเดียวก็กลับแล้วบางคนก็สองชั่วโมงนะในสองชั่วโมงบางคนก็เข้าใจมากบางคนเข้าใจน้อยสนใจมากสนใจน้อยอันนั้นก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าเจ้าเหมือนกันเหมือนกันอย่างหนึ่งคือถึงเหมือนกันส่วนการปฏิบัตินั้นของท่านก็เรียกว่าถึงหมดนะฮะคือสมบูติ ก็จะต้องเข้าใจเป็นทิฏฐิยาสุปฏิวิธาให้ท่านลองสังเกตว่าทั้งสาอย่างนี้แสดงรูปปริยัตินะฮะยังไม่แสดงรูปปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ลงมือทํางานแต่ว่าต้องศึกษาเรื่องสินค้านะต้องศึกษาเรื่องสินค้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่นั้นอย่นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอยางนั้นบพ่อค้าที่จริงก็ยังไม่ลงมือค้านะยังไม่ลงมือค้ายังหาทุนยังหาเตือนอยู่แต่นี้เป็นฐานที่จะนําไปสู่ ไปสู่ความสําเร็จในการค้าบางคนปฏิบัติธรรม ก, ก็เหมือนกันคือเริ่มต้นเนี่ยจะต้องรู้อะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรเลยผลอะไรจ่เราต้องการผลอะไรจ่เราไม่ต้องการแต่และอย่างก็มาจากเหตุถ้าเธอไม่ต้องการผลเธอก็ต้องตัดเหตุเธ อ, อต้องการผลเธอก็สร้างเหตุทีนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือว่าเหตุกับผลมันขัดแย้งกั น, นเด็กบางคนขี้เกียจไม่ยอมอ่านหนังสือ แต่อยากได้เกรดดีๆนะมาเคอเจอนี่มาเจอโดยตัวเองเดินเดเดินเดนเดนิด น, ดนกบวนนะฮะเดินกบวนมาขอร้องเลยเามาไปเล็เชอร์อยู่ตั้งตั้งภาคเรียนนะฮะเป็นยาตรีมาไม่ใชนะ่เคยเห็นเด็กคนเนี้ยแป๊บๆสองสมครั้งแต่ว่านั้นนิสิตมันเยอะนะฮะเรก็คนเนี้ยก็ก็เห็นอยู่สาสงสามครั้งปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน เราไม่ผ่านก็มาส่งคนมาติดต่อขอเกรดทำโอเอโอมาจากไหนละเกรดเกรดเนี่ยก็คิดแต่คาตอบของเธอเนะมันคําตอบมันไม่ถูกแล้วจะเอาเกรดมาจากไหนหรอกขนาดอาจารย์ลงทุนมาเองนะอาจารย์อาจารย์ของเ้าเนี่ยมาเองเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องก็มาอ้อนบอนร้องผมร้องไห้พระธาตุหลวงพ่อไม่ให้แล้วก็ไม่ได้ผ่านแน่เลยอถูกดิทัยแน่เลย ผมไม่รู้จะทำยังไงคือไม่รู้จะเอามาจากไหนถ้าสตางค์ในผมให้ได้อะเนี่ยแม้แต่ว่าเกรดไม่รู้จะให้ยังไงจริงๆเลยไม่รเอามาจากไหนก็เกรดมันมาจากคาตอบนะคำตอบมันมาจากการสอบตอบถูกตอบถูกกันมาจากขยันเรียนนะมันมามันเป็นกระบวนการะเห็นไหมฮะไอ้ตอนตอนเหตุแกไม่สร้างต้องการ A บวกช่วด้วยนะเอามาเลยบอกเอวังนะคงจะได้นะ A บวกไม่รู้จะเอาจริงๆไม่รู้จะเอาจาก อันนี้คือคือเราจะเห็นว่าไอ้เหตุเนี่ยแกต้องการผลพิเศษ A book, อบวกมันจะเอธรรมดานะเอบวกเลยนะมันสุดยอดละอบวกมันท็อปแล้วนะมันคะแนนเต็มนะแต่ปรากฏว่าตัวเหตุไม่ได้สังนี่คือสิ่งที่มีปัญหาไปเนี่ยผลต้องการรับการยกย่องให้ให้ใ ห, ให้ยอดให้ตำแหนง่งแต่ว่าขี้เกียจนั่นคือคือว่า เราต้องการผลที่ดีทุกคนแต่เราก็ไม่พยายามสร้างเกดเพราะฉะนั้นพเจ้าก็มาเทียบไปดูว่าพ่อค้าที่จะเจริญได้มันก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้หนึ่งสมสี่หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามจะใช้หนึ่งสสายู่เรื่อยจะใช้หนึ่งสองาเรื่อยแต่มันคลุมพื้นที่เยอะนะฮะเราจะเห็นว่าจักกุมาที่จริงก็คือปัญญาวิธุโรเองก็คือปัญญานิเทยสามปานนนั้นก็คือสร้างตัวเองเป็นฐาน ให้เขาเชื่อมั่นในความคิดความอ่านนะฮะมีแผนมีโครงการมีความเป็นไปได้มีเครดิตขึ้นมาอธนาคารก็ให้กูผก้ผลักกุญแจก็สนับสนุนตกลงว่าตรงนี้ชีวิตตกลงกลายเป็นเรื่องปัญญาเห็นไะจากผูมาก็คือเห็นก็คือปัญญาวิสุโรฉลาดก็คือปัญญาจึงจะเป็นที่อิงอาศัยนะจะมีที่อิงอาศัยคนก็เห็นเขก็เชื่อนะโครงการหรูเยอะแยะไปคนนด้ทำเสนอโครงการไปแล้ว คนก็ไม่เห็นโครงการแล้วนะเขก็ไม่ให้การสนับสนุนไม่เห็นด้วยโครงการเหล่านั้นนะฮะหรือบางทีไปตอบไปชี้แจงไปอธิบายไม่ได้นะโครงการเยอะไปที่ที่ที่ที่เราพูดแล้วเนี่ยนะฮะอย่างแบบโครงการเรียกขายฝันนะขารฝันจะสร้างทางรถไฟใต้ดินเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยว่าเรลยเราจะตั ง, งมาจากไหนอะ ต่างจากไหนล่ะเออมันก็มันก็พูดง่ายนะพูดได้แกมายังชอบยังชอบที่เคยเลา่านานในฝั่งที่จริงมันหลายปีนะสมัยเจ้าสุวรรณภู ม, มิม า, าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลลาวทำอย่งงางเง้ยเงี้เงอุ้ว่าจะหยุดย้อยเลยนะใช้เงินเป็นแสนแส น, แสนล้านเลยถ้าทําได้แล้วก็ดีนะลาวจะเดิญมาเยอะนะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาถึงกันต่อ พอใจอที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายมันทั้งหมดในรัฐบาลนี้ด้วยทั้งหมดแต่ปัญหาสําคัญว่าจะเอาเงินจากผีที่ไหนมาทําแล้วกลับไปนั่งเฉยไม่ไม่มองซ้ายมองขวาเลยพราเป็นข่าวนี้มันดังระเบิดเลยนะว่าเป็นตอบที่เฉียบมากเลยไอ้เธอฝันนั้งฝันได้ฉันก็มีสิทธิ์ฝันแต่ฝันเนี่ยมันมันมันก็อยู่เฉพาะฝันดนั้นเองถ้าขนาดนี้นะมันทํายังไม่ได้หรอก เห็นไหมว่าโครงการแบบนี้เสนอไปมันก็ขาดนิสสัมปโนปัญญามันก็กลายเป็นสติเฟื่งมันเฟื่องไปเฉ่เฉยมันขาดความสมเหตุสมผลดังนั้นทั้ง3อย่างเนี่ยทั้งทังทงทงทง้ทั้งการดํารงชีวิตแบ่ชาวบ้านนะฮะตัวอย่างข้อค้าที่โยกก็คือการดํารงชีวิตแบบชาวบ้านแล้วไอ้สข้อเนี่ยคือเครื่องมือเหล่านั้นจึงก็ใช้ในการดํารงชีวิตแบบผู้ศึกษาทำปฏิบัติรมจะต้องมีการประกอบกันทั้ง3อย่าง